นักการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพีอฟครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับสำหรับผมเองก็จริงๆก็สนใจด้านศาสนาเนี่ยด้านพุทธศาสนามาตั้งแต่วัยรุ่นและมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่เราเรียนมัธยมอยู่ตอนสักมห้ามหเนี่ยเรารู้สึกว่าเละเราทุกข์ใจ แต่ทุกใจแล้วเราจะทํำยังไงนะ้าแล้วก็พอดีมีช่วงหนึ่งตอนม6เนี่ยครับไปเรียนพิเศษและครูเขาก็เปิดเทปนั่งสมาธินะครับของพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนนั่งสมาธิและครูครูที่สอนพิเศษเนี่ยท่านก็ศรัทธาในพระอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เลยมาเปิดให้นักเรียนฟังนะครับตอนก่อนเข้าเรียนนะครับแล้วก็แจกเทป ดังนั้นพอวันนั้นเนี่ยผมได้ได้เทปไปเนี่ยผมก็เอามาที่บ้านแล้วก็เอามาแอบมาเปิดมามาเปิดฟังแล้วก็นั่งสมาธินะครับก็อแอบแอบเปิดนะครับเพราะว่าในสมัยนะั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราแบบเอ้ยจะได้นั่งจะได้นั่งจะลงนั่งสมาธินะครับแล้วก็พอเริ่มจากจุดนั้นเนี่ยก็พอตอนมห ม .5 6, ม .6 วัยรุ่นนะครับมันรู้สึกว่าเออมันเป็นทุกข์พอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็พอสอบเข้ามาหาลัยเสร็จสอบเวนทรันสเสร็จปุ๊บระหว่างที่รอผลเอ็นทาเนี่ยเราก็ไปสมัครบวชจริงๆสมัครบวชตั้งแต่ตั้งสองสาเดือนแล้วของโยบผู้ที่กัสมาคมนะครับก็บวชแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อจรันก็ไปอยู่ประมาณเดือนกว่าแต่ว่าระหว่างที่ปฏิบัติก็ก็นั่งยุบหนอกองหนอ นะครับก็ก็เป็นก็ทำได้ส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิไรก็จะหลับตลอดนะครับทุกๆครั้งก็ก็หลับแต่ก็ก็ได้ฝึกความอดทนน ะ, นะครับพอหลังจากศึกมาก็มาเข้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันแรกที่เข้าไปก็ตรงไปที่ชมรมพุทธของมาวเกษตรศาสตร์อีกนะครับก็ ไปอยู่ชมลมพุทธเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็พออย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าพอตอนปีสองเนี่ยเราก็จะบวชพระธรรมทายาทนะครับแต่ว่าพอดีมาเจออาจารย์ครูมัธยมนะครับธรรมดามก็นอนอยู่ที่ชมลมพุทธอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆชมลมเนี่ยก็หวังจะให้เราบวชนะครับ แล้วก็พอดีมาเจอครูมัธยมท่านไปฝึกกับหลวงพ่อรู้สึกที่ผู้แครนะครับประมาณปี32และหลวงพ่อก็ชวนให้มาปฏิบัติต่อที่วัดสนามนายอีกสักสอาวันครูก็โทรมาชวนพราครูโทรชวนเอ้ผมก็ไม่รู้คิดยังไงนะผมก็ไปง่ายๆนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไปไปเก็บของนะครับเก็บของแล้วก็ไปที่วัดสนามนายก็อยู่ได้2อสามวัน ก็ฝึกกับก็เจอหลวงพ่อนี่แหละนะครับหลวงพ่อก็ฝึกนะครับแล้วก็ทําไปทําไปนะครับก็ตอนนั้นวัยรุ่นนะครับมีแต่พลังปัญญงัญญานี่ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ทําไปหลับไปอะไรเงี้ยมันก็ส่วนใหญ่มันจะง่วงนอนมันเป็นปัญหางผมมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นละและ้วก็พอทําพอทําไปสองสามวันแล้วก็ครูก็ครบกําหนดของครูผมและครูมัธยมผมนะครับ ก็หลวงพ่อก็ชวนผมไปต่อนะครับเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อก็จะไปเผยแผ่ธรรมกับหมู่คณะตามภาคอีสานก็ไปทางจาตุลัสอะไรนะครับรู้สึกที่ชัยภูมิที่หนึ่งเขาก็จะเป็นมาณที่หนึงห้ถึงเวันสมัยก่อนนี้ก็รู้สึกว่าที่เห็นเนี่ยคนสูงวัยเนี่ยก็จะเยอะเลยนะครับเราก็จะไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยตามโรงเรียนตามวัดนะครับ แล้วก็เราก็ยังจําได้ว่าเราเอ๊เราก็อาบน้ําบางทีก็อาบน้ําในคลองอะไรก็มีส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็นอนในห้องเรียนอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็รู้สึกนอนใกล้ติ๊กขทรายนะนะครับก็ไม่รู้ไปได้ยังไงเพราะหลวงพ่อชวนก็ก็ไปนะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเลยนะก็ยังไม่ได้เคยถามประวัติให้หลวงพ่อทำอะไรเป็นยังไงเนาะแต่ก็ไปที่จริงๆเนี่ยที่คิดว่าที่ไปเพราะว่า ตัวเราเองเนี่ยมันมีใจว่าเอออยากจะปฏิบติธรรมแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์ตอนนั้นก็คิดเท่านั้นเองแล้วก็อพอหลวงพ่อชวนว่าเออจะลองไปที่นี่อ่ะเราก็จะลองไปดูนะครับก็ไปแล้วตอนไปเนี่ยก็ที่จำได้ยังมาถามพี่ๆเลยนะครับว่าเออตอนเราไปเนี่ยเราไม่ได้บอกใครเลยสักคนนะครับมีผมกับครูรู้พี่ๆที่ชมหลงก็ไม่รู้หลังจากที่หลวงพ่อชวนมันก็กลับไปเก็บของ ไปเก็บของก็ไม่เจอใครเลยที่ชมลมแล้วเราก็แล้วเราก็กมาแล้วเราก็ไปแล้วก็ไม่ได้บอกที่บ้านด้วยแล้วก็ไปต้องห้าหสัปดาเนี่ยนะครับก็ยังกลับมาคิดอ้าวไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครห่วงเราเลยหรอวันไหนกลับมาคิดเมื่อกลับมาคิดปีที่แล้วนะครับเฮ้ยไม่มีใครห่วงเราเลยเนาะเราหายไปตั้งห้สัปดานะครับเขาก็รู้สึกพี่ๆที่ชมลมเขาก็โทรไปถามที่บ้านเหมือนกันว่าเอ๊ะผมไปไหนเพราะมันถึงวันจะบวชแล้วเนี่ยเขาก็ตามตัวกัน นะครับแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็ไม่ได้บวชนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกใครกลับมาก็เป็นปกตินะครับตอนนั้นไปก็โอ้โหฟังภาษาเนื่องจากที่นั่นก็เป็นภาษาอีสานกันครับภาษาอีสานแน่นมากเลยแล้วก็อาหารนี่ก็จะมีปลาที่จําได้จะเป็นปลาทุกมื้อต้มจืดอะไรก็ยังใส่ปลาหมดเลยนะครับซึ่งก็โอ้โหก็ก็กินไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็ ก็ไปก็อยู่ได้นะครับห้าหสัปดาห์รู้สึกครูกลับมาแล้วเล่าให้ครูฟังแล้วครูก็เพิ่งมาเล่าใผมฟังเมื่อเมื่อปีนี้เองนะครับว่าเอ้ยตอนสมัยนั้นนะหลวงพ่อเคยพาไปนอนแถวประช้าด้วยแต่ผมจําไม่ได้แต่ครูครูจําได้ว่าผมกลับมาเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ก็เพราหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย นะครับเมื่อจากมันวัยรุ่นนะครับมันก็ทําอย่างเดียวทำทำทำทำทำไม่เคยมีความแยบคายนะก็มุ่งมั่นมากนะครับสมัยนัผมว่าเป็นอย่างนั้นนิสัยผมนะครับมันก็เลยมันก็เลยเลยทําได้อแต่มันยังมันยังไม่มีปัญญาอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เป็นหลักๆเลยก็จะจะติดหลับเรื่อยเลยนอนเรื่อยเลยนะครับก็จะง่วงทําทีไรก็ง่วงเรื่อยเลยนะครับซึ่งก็ยังติดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่กลับมานะครับก็มาอยู่ชมรมเหมือนเดิมก็ยังทำงานชมรมตลอดแล้วก็ก็ไปวัดที่ที่ที่ที่ไปอยู่นะครับก็ไม่ได้ติดต่อหลวงพ่ออีกเลยนะครับแล้วก็ก็ไปเมืองนอกก็ไปเดียนต่อเมืองนอกอะไรก็ยังไปวัดเดิมที่เราเกิดไปก็จะใช้วิธีการนั่งสมาธินะครับก็นั่งมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปีสามศูนย์ถึง ถึงอะไรถึง 5-4 ี่นะครับก็นั่งสมาธิมาตลอดแต่ว่านั่งทุกครั้งก็ก็จะต้องหลับทุกครั้งนะครับไม่เคยมีครั้งใดที่ไม่หลับแล้วก็นิสัายผมก็คือยังจำได้นะตอนเรียนปีสาปี4นะครับเรียนอะไรผมก็หลับอยู่กันนะครับเรียนวิชาไหนขนาดเราสังเกตดูเรานึกได้นะครับว่าเรียนวิชาแ l a อ่ะนะครับนั่งฟังครูทอล์แ l บเนี่ยเราก็ เราก็เผลอหลับไปนะครับแต่ว่าพอดีผมนั่งหน้าแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ยังไงนะมีหลายๆครั้งที่ว่าครูเขาบอกถ้าใครหลับก็จะหาคะแนนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็นั่งหน้าแล้วครูก็ไม่เคยว่าอะไรผมเลยนะผมก็หลับผมก็หลับตลอดแล้วนะก็แปลกนะแล้วจบมาก็ก็ก็ยังเป็นอาจารย์ที่เดิมครูก็ยังครูก็ยังชว์ว่าเป็นเด็กดีก็ก็แปลกใจนะครับแล้วก็ พอมปี54นะครับพอปีห้าสี่ก็ก็มาเจอมาเจอทางสายที่สายหลวงพอ่อทูลนะครับแล้วก็ทางแม่ชีแล้วก็หลวงหลวงลุงนะครับที่ท่านใช้หลักทางของหลวงพอ่อทูลก็คือใช้ใช้ปัญญาคิดนะครับซึ่งตั้งแต่จุดนั้นเนี่ยเราก็เริ่มไม่ได้ไปวัดเดิมละเราก็เริ่มมาที่ใหม่เริ่มมาฝึกตนเอง นะครับซึ่งของเราเนี่ยทางที่เราฝึกมานะครับตลอดเจปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราเจออะไรเนี่ยนะครับเราก็น้อมเข้ามาหาตัวเองนะครับน้อมเข้ามาหาตัวเองแล้วก็สอนตัวเราสุดท้ายแล้วก็ให้ลงตายรักนะครับ เราก็ทําแบบนี้ไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังฝึกเรื่อง อ, อื่นอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยเรื่องปัจจัย4ี่เนี่ยซึ่งท่านก็จะเน้นกันมากเลยเรื่องกินอาหารนะครับทํำยังไงให้มันกินง่ายๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเจอทางคุณแม่ชีนะครับเราก็จะกินเราก็จะเลือกมาก นะครับไปที่ไหนเวลาไปออกโครงการเลยที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปดูว่าร้านไหนเป็นร้านที่เราผ่านแล้วก็เป็นร้านที่ดังเขาได้เชิญชวนชิมเวลาไปกรุงเทพอะไรพวกนี้เราก็จะไปกินที่โรงแรมดังๆอะไรเงี้ยหดาวหกดาวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปกินทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะมีความสุขนะครับกินแล้วเนี่ยเราจะต้องตีด้วยทุกครั้งเลยนะ ในใจเราเนี่ยก็จะต้องตีโออย่างโู้อย่า ง, างนี้เพราะว่าเรามานั่งคิดดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามันมีอัตราตัวตนสูงมากเนาะถ้าเรายิ่งตีได้เยอะเท่าไหรนะ่นะนะก็จะรู้สึกว่าเราโหเรามันแน่มากนะครับเราสามารถขนาดไปกินร้านอาหารที่มันดังๆเนี่ยเราก็สามารถตีเข้าได้ว่ามันไม่อร่อยอย่างโู้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะติดนิสัยมามก็จะกินรู้สึกกินก็จะยากหน่อยนะครับแต่หลังจากที่ เราตอนปีห้าสี่เนี่ยเราก็เริ่มมาฝึกตนเองนะครับเริ่มฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าเพราะว่าเวลาไปที่เวลาไปที่ที่ที่เราไปเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารที่ได้จากบินธบาทแล้วก็แม่ก็จะสอนว่าเออเราจะต้องกินแล้วเนี่ยจะต้องรู้คุณค่าของคนที่ก็ตากบาทมาให้เรานะเพราะเขาจะต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ต้องไปซื้อของมาแล้วก็ ตอนเย็นก็เตรียมตอนเช้าก็ตื่นมาทําตื่นมาทําเสร็จตอนเช้าก็ตื่นมาตักบาตรเราก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าทราบซึ้งมากเลยผมก็ผมก็เริ่มสอนใจตัวเองนะครับแล้วก็พอกินเราก็พยายามที่จะซาบซึ้งในสิ่งที่ในสิ่งที่ในี่นบุญคุณของเขาอะนะครับเพราะหลังจากนั้นก็ใจมันก็ไม่ลงผมนะครับพอผ่านไปได้สัก3มปีเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนไปเลย นะครับคือกินอะไรมันก็มันก็ได้แล้วมันก็ดันอร่อยหมดเลยทุกอย่างนะครับกินอะไรก็ได้หมดเลยไม่มีตีก็เลยนะนานทีนึ่งนะครับที่จะตีอะ่ะนะครับแต่เมื่อก่อนตีโหร้อยทั้งร้อยตีทั้งร้อยทั้งร้อยแต่เดี๋ยวนีนะ้นานมากที่จะตีสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็กินอะไรมันเหมือนกับมันเปลี่ยนลิ้นผมไปเลยอะ่ะลิ้นผมนี่คือกินแล้วกินได้หมดแล้วกินแล้วรสชาติดีหมด <laughs> แปลกมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกกันหนึ่งนะครับเพราะหลังจากที่เราฝึกนะครับโดยใช้ปัญญาสมาธิถินะครับคิดยังไงให้ลงไตรักให้เห็นทุกโทษภัยนะครับทั้งเรื่องการกินการอยู่และเรื่องข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสัก10ปีที่แล้วเรามีบ้านใหม่เราก็เหอมาก เราก็โอ้โหมีอะไรเราก็ซื้อนะครับปลูกต้นไม้โอ้โหซื้อต้นไม้แพงๆนะครับของอะไรในบ้านก็โอ้โหมีอะไรก็ตกแต่งตลอดเลยนะครับพอหลังจากเจอแม่เจอหลวงลุงแล้วเนี่ยท่านเน้นของเรื่องเรื่องการอยู่อาศัยเนี่ยนะครับเราก็เราก็มาลดสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็พวกเรื่องเสื้อผ้าเขาของเครื่องใช้เนี่ยเราก็พยายามเลือกเหลือที่จําเป็นแล้วก็บริจาคไป นะครับดังนั้นของที่บ้านก็จะบริจาคไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทั้งให้นักเรียนทั้งให้คนเก็บขยะทั้งให้พ่อบ้าแทั้งให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือสักของประมาณสักสามสิบเอร์เซนะครับยี่สิบสสิเอร์ซนไอ้พวกเสื้อผ้าอะไรก็ก็บริจาคไปเยอะมากนะครับดังนั้นบ้านก็จะก็จะโล่งขึ้นเมื่อก่อนใครมาเนี่ยนะครับเวลาพี่ๆเข้ามาบ้านผมนะนะครับในช่วงที่บ้านเราสร้างใหม่ๆเมื่อสามปีแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า <c oughs> ของเยอะ นะครับของทําไมมันเยอะจังเลยเนี่ยของตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันก็มีแต่ของนะของตกแต่งไปหมดนะครับผ้านุ่นผ้านี้โอ้โหมันดูเยอะแต่ว่าตัวเราเยอะไหมครับตัวเรารู้สึกไม่เยอะเลยตัวเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอมันก็ยังหาอีกนะเราก็ไม่เชื่อเขาฟังเขาแล้วก็ลำคาวนนะนะครับพี่ยังไม่เยอะเลยนะเราจะต้องเอาอีกนะเราก็ยังไปหาซื้ออีกนะนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรามาเจอนะครับทาง ทางแม่แล้วก็ทางลงุงลุงแล้วเนี่ยเราก็พยายามฝึกสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ฝึกมาเรื่อยๆนะครับประมาณหกเจ็ดปีจนมาถึงปีเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเรากําลังเราไม่พอนะครับกําลังเราไม่พอในเรื่องที่เราจะคิดพิจารณาในเรื่องที่มันยากขึ้นไปเราพิจารณาทีไรล้วก็ยังยังทําไม่ได้อะนะครับ กำลังเราอ่อนนะครับเราเนื่องจากเนื่องจากการทํางานด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับเราก็คิดว่าเราจะต้องหาทางนะฟรนสานี้เนี่ยเราจะต้องไปไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ยังไม่รู้ที่ไหนนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะเราจะไปเพิ่มพลังเราทําไงให้เรามีสติมากขึ้นรู้สึกเรายังขาดสติ นะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ยืนยันก็คือมีช่วงหนึ่งเนี่ยสักประมาณกุมภาเนี่ยนะครับกุมพามีนาเราก็ไปหาหมอจีนหมอจีนซึ่งเขาก็เป็นหมอหนุ่มนะหมอแม่นะครับเขาก็เป็นคนไทยเสื้อสายจีนเขาก็แม้แล้วเขาก็อายุประมาณสัก36เสิกเขาก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วเขาก็แม้ผมเขาบอกว่าอ้าวทำไมเนี่ยทำไมคิดเยอะจัง นะโอ้คิดเยอะมากผมว่าโอผมฝึกผมฝึกธรรมะฝึกแบบที่เราคิดพิจารณาท่านก็บอกว่าเออคิดเยอะมากเลยนะมันจะทําให้ในร่างกายผมเนี่ยมันจะมีลมเยอะนะครับแล้วก็อยากให้ใจเราเนี่ยแล้วก็สมองของผมเนี่ยบุ๋โปรง่งท่านก็บอกว่าเนี่ยอลองฝึกลองฝึกสติกลับไปอ่านดูเนี่ยท่านพูดคล้ายๆกับที่หลวงพ่อบอกเลยนะนะครับ ก็คือให้ให้รู้ตัวถ้านบอกให้รู้ตัวแค่นั้นเองนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้มาฝึกทางทางสายหลวงพ่อเทียนอะไรนะครับของหรับหมอจีนเนะี่ยท่านก็อ่านจากตําราจีนนะครับผมก็เลยเออก็เลยเริ่มย้ําได้คิดอีกอันหนึ่งว่าเออ ه, แสดงว่าเราขาดพลังนะครับพลังสติแล้วเราก็อาจจะอาจจะคิดมากไป นะครับเราลอง ล, อ ง, ลองลองพักการคิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีตอนเดือนเมษาก็หลวงพ่อมีปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ชวนมาผมไม่ว่าง น, นะครับพอดีหลวงพ่อก็เลบอกงั้นเรามาบวชกันตอนเดือนตอนเข้าพรรษาก็แล้วกันซึ่งพรรษานี้จริงๆไม่ได้คิดฉบวนเลยนะครับไม่ได้คิดฉบวนเลยก็แค่จะ อยากจะหาเวลาสักพักหนึ่งสักเดือนดึงอะไรแค่นั้นเองนะครับพอหลวงพ่อชวนก็ก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยเนาะเออในในเราก็ปีนี้รู้สึกเราเราแย่เลยนะนะครับจิตใจเราไม่ค่อยดีและคิดอะไรมันก็คิดไม่ค่อยดีพอมันอ่อนพลังก็เลยโอเคงั้นเราไปบวชก็แล้วกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าได้มาบวชที่บวชกับหลวงพ่อที่วัดนะครับ แล้วก็พอบวชแล้วเนี่ยก็เนี่ยก็ฝึกแบบนี้นะครับก็ฝึกสร้างสติซึ่งก็เหมือนกับเข้ามาเริ่มใหม่อีกทีนึงอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่ปีที่แล้วได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ฝึกคอที่สวนพันดาวเวันนะหลวงพ่อก็ชวนมาฝึกที่นี่ก็ก็มานะครับที่แล้วหลวงพ่อชวนมานะพอฝึกที่สวนพันดาวเวันเสร็จเนี่ยหลวงพ่อชวนชวนต่อมาต่อที่วัด เราก็เราก็ไม่พอมาปีที่แล้วก็ตั้งใจทำแต่ว่าก็จะติดทางพวกสมบัตนะครับเนื่องจากมันง่วงมันง่วงเราก็เลยต้องทำให้มันเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเดินจงกรมนะครับเราก็จะเดินเร็วมากเลยนะครับปีที่แล้วนี่เร็วทุกอย่างเพราะนิสัยเราเป็นคนเร็วเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะ ข้าแดนดำหนึ่งตลอดหมายถึงไม่ถึงเข้าวแถวเวลาเข้าแถวทําอะไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้แย่งอะไรใครเลยนะถ้ามีให้เข้าแถวเข้าตัวดูหนังดูดนตรีกินอาหารทําอะไรเนี่ยแป๊บเดียวผมก็จะไปข้างหน้าสุดได้แหละนะครับไม่ได้แสงเพราะเราจะเร็วกว่าเขานะครับเราจะไม่ไม่ดีรอหรือว่าเวลากินอาหารนะครับก็ยังฟังเทศหลวงพ่อคราวนี้ก็ยั ง, ย, งยังรู้สึกเลยนะครับที่ว่าเรื่องกินอาหารเนี่ย ข่าวที่แล้วที่เราฝึกสวนพันดาวเวลาคารวะผมเนี่ยกินอาหารเนี่ยผมก็จะต่างหามาเป็นคนแรกนะเห็นไหมพอคนแรกเสร็จกินผมก็กินเสร็จเป็นคนแรกเลยนะนะครับผมก็จะเร็วมากผมก็จะรู้สึกเอ๊ะทาไมคนอื่น เ, นเขาเขาช้าจังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆวันเราก็สังเกตเนาะหลวงพ่อก็ฉันไปช้าๆเนาะแต่เราเนี่ยก็ก็จะเสร็จถ้าหลวงพ่อไม่ให้ไม่ให้รอพร้อมกันเนี่ยผมก็ ไปล้างชามเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมผมกินก็ที่เร็วก็เพราะว่าเราจะได้รีบล้างชามไงนะครับจะได้ไม่ต้องไปรอใครนะครับจะได้ทําให้เสร็จไปแล้วก็ไปทำทุล่าทุล่าส่วนตัวเห็นไหมทุกอย่างมันก็รีบเร่งหมดเลยนะ <c oughs> ครับนี่แหละครับก็คือข่าวที่แล้วพอมาข่าวนี้เนี่ยมันก็บวชได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับบวชแต่วันที่หนึ่งแล้วก็ก่อนบวชวันที่ยี่บห้าก็ไปอยู่ที่วัด คุณวยสวดกับหลวงพ่อนะครับซึ่งพอมาคราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราก็ไม่กี่วันเนี่ยนะยีบวันก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันนะรู้สึกว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มีสติมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเวลาเดินหรือเวลาทำอะไรเนี่ยก็พัฒนามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการสร้างสติเนี่ยนะครับในช่วง เจ็ดวันแรกก็เจอปัญหาเรื่องของการปวดตลอดร่างกายคือปวดมากๆปวดสุดๆปวดจนว่าเอ้ยเราเราไม่ไหวละนะครับปวดแขนปวดคอปวดหลังปวดโอ้โหมันปวดมันตึงไปหมดเลยแต่ว่าใครที่เป็นอย่างหลวงพี่นะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปพอผ่านไปเจ็ดวันมันก็ ดีขึ้นมันก็หายมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือบ้างนะครับแต่ว่าจากมันหนูตอนนั้นเราคิดว่าสักสองรอยเอร์เซนตะตอนนี้ก็เหลือสักยี่สิบสามสิบอร์ซนะครับซึ่งเราเดินมากมันก็มีโอกาสที่มันจะเจ็บปวดบ้างแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันปรับสภาพมันเป็นแบบเยอะมากเลยจนโอ้โหเราท้อใจเลยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหายได้นะแต่ก็เป็นสิ่งที่สูจนนะว่ามันก็หายได้นะครับแล้วก็ ปัญหาที่หลังจากเราปวดแล้วหายแล้วนะครับดีขึ้นตอนนี้ก็มาเจอปัญหาเรื่องความง่วงซึ่งมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแรกๆก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็พอบวชแล้วสักห้าวันอะไรเงี้ยก็เริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนมาฝึกที่นี่ยิ่งยิ่งผ่านไปเนี่ยมันยิ่งหนักมากขึ้นนะครับ โดยเพาะเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมันหนักหนักมากๆเลยจนมันณตอนนั้นเนี่ยมันท้อเลยนะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วมันมันท้อใจอะนะครับว่าทําไมมันทําไมมันทําไมมันทำไมมันทำไมมันคือมันเหมือนกับเป็นศัตรูที่เราแบบสู้เขาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็น่าสังเกตอีกนะครับพอเวลาเขามาแล้วเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายมันก็ มันก็ผ่านไปอ่ะ น, นะครับพอผ่านไปเราก็สามารถปฏิบัติต่อได้แล้วเวลาที่เขามาเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนด้วยนะบางครั้งตีห้าเราจิตใจเราหูเราปลอดโปร่งมากเลยนะเราคิดว่าเอ้ยเราเก็บอารมณ์อยู่ที่ห้องเปิดพัดลมนั่งโอ้โหมันทำไปห้านาทีแรกมันสุดยอดเลยนะครับมีความรู้สึกทำช้าๆอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวหาแล้วไปล้นะครับมันง่วงนอนแต่ผมก็ยามไม่ ก็พยายามต่อสู้เลนะครับดังนั้นเวลาตีห้ามันก็มีแล้วก็บางครั้งก็บ่ายโมงก็มีบางครั้งบ่ายสองก็มีคือเวลาเนี่ยเขไม่แน่นอนเลยเราจะบอกว่าเฮ้ยเรากินอาหารหลังกินอาหารแล้วถึงจะง่วงนอนบางทีมันก็ไม่ใช่บางครั้งหกโมงเย็นก็ก็ง่วงนอนเวลาเราปฏิบัติแต่มันจะเป็นเฉพาะตอนปฏิบัติ นะครับยกมือเมื่อไหร่นะครับได้ไปผมอย่างเมื่อกี้นับดูนะสักห้ากระบวน5านี้ก็ก็เริ่มแล้วนะครับเนี่ยหาวเลยแปลกมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องสู้ต่อไปเนาะหากุสโลบายต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่านอะไรไปง่ายๆไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหาอะไรเราก็คงเราคงไม่รู้วิธีแก้นะ เห็นไหมคราวที่แล้วเนื่องจากเราปวดร่างกายเดินจงกรมเราพบว่าเราเดินไม่ถูกคราวนี้เรามาหัดเดินใหม่มันก็มันก็ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องง่วงเราก็ต้องมาหาวิธีต่อไปนะครับดังนั้นก็ก็สําหรับผู้ใหม่ก็มาหลวงพี่ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะก็ดูหลวงพี่นะครับเพราะว่าก็ต้องฟันฝ่าภาษากนะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเพราะมันคงไม่ง่ายหรอกนะครับที่จะ ปฏิบัติแล้วมันผ่านไปได้ง่ายๆเนาะนะครับมันก็ต้องก็ต้องเนี่ยก็ต้องสู้กันไปเรื่อยๆนะครับก็เรื่องหนึ่งที่ขาดหายไปมีการศึกษามีบ้านมีเรียนมีอะไรไม่พูดถึงเรื่องแม่บ้านเลยนะเออมันมันขาดไปได้ยงไงสิ่งนี้เออเลาให้ฟังหน่อยสำหรับเรื่องครอบครัวนะครับ ก็ผมก็แปลกอยู่วันหนึ่งจริงๆถ้าเรื่องความรักเนี่ยนะครับมันก็มาเร็วมากเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปอป อ, อะไรนะครับปอสองเนี่ยเราก็เริ่มก็เริ่มรักเลยนะเมื่อวานนี้นั่งเมื่อวานนี้เดินสร้างสติอยู <c oughs> ่ก็ยังจำชื่อเลยนะยังพูดขึ้นมาชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นนเห็นไหมครับปอสองก็มีความรักปสี่ปห้าปหกเนี่ยโหเราก็ รักคนอื่นเขาเยอะเลยนะครับหลายคนเลยแล้วก็รักมากขนาดไหนนะครับยังจําได้เลยนะตอนป .5 เนี่ยนะครับคนที่เรารักเนี่ยเขาย้ายไปอยู่อี ก, กอาเภอหนึ่งย้ายโรงเรียนผมเนี่ยเขียนจดหมายนะดูสิครับลองคิดดูว่าเด็กป .5 เนี่ย <mm> เขียนจดหมายรักนะครับผมจําได้ว่าผมไม่ได้เขียนครั้งเดียวเราเขียนหลายครั้งแล้วนะเขาไม่ได้ตอบเลยนะเขาไม่ได้รักผมหรอกนะครับแต่ผมว่ามักจะรักคน นะครับก็จะรักเขาแล้วก็เขียนไปเนี่ยต้องหลายฉบับเนี่ยแล้วก็ฝากเพื่อนไปนะครับเห็นไหมครับดูว่าเออมันของผมมันจะมาเร็วเนะเรื่องความรักแต่ก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปเรียนโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนที่โรงเรียนเทพศรีนนะครับโรงเรียนวัดมะกรูดต่ออย่างนี้โรงเรียนมัธยมก็ก็ไม่ได้มีความรักอะไรพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาไป ไปเดียนต่อที่เมืองนอกก็จะจะเจอแฟนนะจะเจอความรักแต่ก็โชคดีกันหนึ่งนะครับตอนที่เรารักเขาเนี่ยเราก็พยายามอย่างมากมายเลยนะนะครับพยายามอย่างมากมายทั้งเขียนจดหมาย ท, ท, ทั้งทั้งทั้งที่เวลาอยู่หอพักเนี่ยอยู่ apartment เ, เนี่ยเขาอยู่ชั้นบนเราอยู่ชั้นนี้นะครับแต่เราก็จะมีความรักที่หวานแหววมากเราก็จะเขียนการ์ดนะครับ ส่งไปทุกวันเลยนะเห็นไหมทั้งส่งการ์ดทั้งเขียนจดหมายอะไรพวกเนี้ยนะครับพยายามให้คขารักเราเลยนะก็ <c oughs> <g mies> สุดท้ายเขาก็เขาก็รักเรานะครับแต่มันมีข้อเดียร์หนึ่งที่มักจะเกิดผมสังเกตขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะเวลาผมมีความรักเนี่ยเวลารักใครแล้วเนี่ยพอเขารักเราเนี่ยในใจเรามันจะผุดขึ้นมานะมันจะผุดขึ้นมาว่ามันมันจะรู้สึกเบื่อเลยอะ เนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายนะไปถึงทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นผมก็เสียดายเฮเราสาพยายามมาตั้งเยอะแล้วนะในการที่จใจเขามาเป็นแฟนเราให้เขารักเราพอเขารักเราเนี่ยพอใครมารักเราแล้วเนี่ยทำไมในใจเราถึงเบื่อมันไม่ใช่สมองคิดอะครับมันเกิดขึ้นมานะครับพมนเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็เริ่มรู้สึกแหละนะครับแต่สุดท้ายก็ความห่างก็เลยทาให้ทาให ทำให้แยกย้ายกันไปพอกลับมาที่เมืองไทยก็ก็รู้สึกว่ามันไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วนะครับในชีวิตเราเรารู้สึกเห็นพ่อแม่เราเนี่ยแต่งงานก็โอ้โหลบากมากเลยพ่อแม่มีลูกตั้งสิบคนเห็นไหมต้องตั้งใจหาโอโ้เลี้ยงดูลูกนะแล้วก็โอ้เดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเนาะก็เลยเนี่ยรู้สึกมันเห็นอย่างนั้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองก็ ก็มาทางนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ได้คิดอีกเลยพอมาปีไหนนะที่เริ่มคิดแน่ๆว่าคงจะไม่ล่ะกลับจากเมืองนอกมาประมาณปีสองพันหนึ่งพอปีรู้สึกจะสองพันสองสเนี่ยก็รู้แน่และ ว, ว่าชีวิตเราคงไม่ไม่แต่งงานนะครับเราคงเป็นโสดดีกว่าเพราะเราคงอยู่ใครไม่ได้เราอยู่กับใครแปบ๊บหนึ่งเนี่ยใครมาอยู่ใกล้ๆเราใครมารักเราม า, มากๆเราก็ เราก็เราก็เบื่อละเราก็อยู่กับเขาไม่ได้เราก็จืดอนะครับชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดพอพอเริ่มเรื่องครอบครัวเนี่ยก็โสดนะครับครับหลวงพ่อเปรียบเทียบที่ผ่านวิธีการปฏิบัติมาหลายๆวิธีเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่าง ตัวรู้ที่เราไปเคยศึกษาวิธีต่างต่างกับตัวรู้กับวิธีการพ่ดเทียนเนี่ยเห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมมันแตกต่างกันอย่างไรของถ้าเป็นนั่งสมาธินี่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันงูเงียไปหมดเลยนะครับนั่งปุ๊บเราก็น่ไปเลยซึ่งก็ซึ่งมันก็มันก็มันก็สบายดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ ไม่ได้พัฒนาไม่ได้พัฒนาส่วนอื่นของเราเลยนะครับมันก็มีใจสงบแค่นั้นเองมันก็ระหว่างที่ปฏิบัติมันก็มันก็สบายใช่่ะครับแล้วก็ไม่ได้ก็ก็ทำให้เราคิดอะไรได้ดีใช่มนะตอนนั้นนะครับแต่ อ, ออกมาเราก็เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอจบออกมาเนี่ยอารมณ์เรามันจะแรงนะครับเราทำอะไรเร็วแรงแล้วก็ต้องเพอร์เฟ นะครับลูกน้องที่ทํางานร่วมกับเราหรือใครที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเรื่องมากแล้วก็เยอะมากเลยนะครับถ้าเรื่องหรือว่านักศึกษาเนี่ยเวลาก็ทําวิทยุพนธ์ปริญญาโทรปริญญาโทรรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแก้เขาเนี่ยโหเราสามารถแก้ได้เป็นโหสิ บ, ส, บ, ส, บสิบรอบเลยทําเท่าไหร่เราก็แก้ได้แก้ได้แก้ได้แก้ไ ด, ได้เราเห็นได้หมดเลยข้อข้อผิดพลาดนะครับซึ่งบางทีมันก็ ก็เยอะไปแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเวลาก็ทําจดหมายทําอะไรเราก็จะแก้แก้แกๆแกแกแก้กี่รอบก็แก้แก้ตลอดนะครับซึ่งแล้วก็เวลาพูดอะไรเมื่อก่อนเราจะเอาแต่ตัวเราเองเป็นใหญ่เราไม่ค่อยเห็นใจคนอื่นเราคิดว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเราจะมักจะเอางานเป็นหลักดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะรู้สึกมันเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตอนหลังมาทราบข่าวเนี่ยก็ถามจาก พี่ๆนักการนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทุกๆคนที่เขาทำงานกับเราหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ภาควิชาเนี่ยทุกคนจะเคยร้องไห้พเพราะเรามาบนแล้วหลังจากนั้นก็ ก, ก็พอเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนตัวเราเองเกรงใจ เนะเขามากขึ้นเขาก็เ า, าก็ดีกับเรามากขึ้นส่วนเรื่องของตัวรู้นะครับตัวรู้วิธีวิธีนั่งสมาธินี่ผมไม่ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีของทางหลวงพ่อเทียนเราก็กำลังกาลังฝึกข้าหลวงพ่อโดยเฉพาะผ่านหนอมาก้าหลวงพ่อเจรัญเนี่ยครับทางสายนั้นเขาก็เน้นเน้เนตัวรู้มากนะสัมผัสไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างไม่ได้เลยขาหลวงพ่อ เดี๋วบวชอยู่นานตรงนั้นนา น, านบวชอยู่เดือนครึ่งครับผมตั้งใจนะครับไม่ลงไปที่ไหนเนี่ยผมตั้งใจทํามากเลยผมไม่มีแบบผมอยู่ในวินยัยแล้วก็ทําตามที่หลวงพ่อสอนนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับนั่งแล้วแต่ก็ทําได้ยุบหนอพองหนอนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็ง่วงง่วงนอนนี่ครับ น, นี่เห็นอย่างหนึ่งที่ท่านนิวมีคือทั้งๆที่เป็นคนเร็วแรงแต่ว่ามานะอัตตาที่แสดงออกให้เห็นเนี่แทบจะไม่มีเลยนะตรงนี้ยก็แปลกใจว่าเป็นไปได้ยอย่างไรทั้งที่เรียนอะไรต่างๆตง้องปฏิบติคนเรียนเก่งหรือทําอะไรไวเนี่ยมานะอัตตาจะสูงนะแต่ท่านนิวไม่มีตรงนี้เลยสังเกตตัวเองไหมเพราะอะไรเพราะอะไร<ม>ก็มีจุดเปลี่ยนนั่นแหละครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว นะครับเมื่อก่อนก็จะมีเยอะมากนะครับถ้าเยอะจริงจริงมีใครพูดอะไรเนี่ยผมก็จะค้านได้ตลอดเลยนะครับหรือว่ามันมีช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มฝึกลวเดี๋ยวจะบอกว่าฝึกยังไงนะรเริ่มฝึกแล้วเนี่ยมีอาจารย์ที่อาจารย์ที่เรารู้จักกันนะครับสองท่านนะท่านมาพูดในแต่และโอกาสนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นหมอาจารย์นิวเนี่ยเคยบอกว่าที่บ้านอาจารย์นิวเนี่ย ถ้าเกิดต้นไม้เนี่ยราคาไม่แพงมันจะมาอยู่ในบ้านอาจารย์นิวไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นไงพื้นที่เรามีไม่เยอะมันไม่คุ้มค่าโอ้โหเรามาฟังทีหลังโอ้เราพูดอย่างนจริงจริงเหรอทำไมมันโอ้ช่างสูงมากเลยนะครับพูดโอ้โหแต่ตอนนั้นพูดด้วยความหูมใจไม่รู้นะเห็นไหมครับและอีกพี่อีกท่านนึงบอกว่าออเมื่อก่อนเนี่ยนะนิวบอกว่าถ้าเป็นกาแฟาที่อื่นเนี่ย ก็จะไม่กินกินอย่างเดียวก็คือกาแฟาที่สตาร์บรัคเพราะมันรสชาติ ด, ดีผมก็มันแต่คําไมาบอกตอนหลังไงนะครับมาบอกตอนหลังเราเราพูดอย่างนั้นเลยหรอแง่ฟังแล้วแบบบางคนรู้มากเลยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแยะเลยนะนะครับซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของเราอยู่แล้วซึ่งมันจะต้องจะต้องเป็นแบบเนี้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดมันดีจริงๆก็คือจะไปขมเขานั่นเองแล้วก็ถ้าสมัยก่อนอีกนะมีอีกอันนึงที่มันสําคัญมากเลยนะ อาจจะเป็นนูทาหอนสำหรับทุกคนคือทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นทุกวันเลยมันจะต้องมีเรื่องกับคนคนนี้ยแล้วก็พี่คนที่ฟังผมเนี่ยก็จะเป็นพี่ตัวเล็กที่เขาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเมื่อก่อนเราก็จะต้องมานั่งระบายระบใุในเขาฟังวันละประมาณ 1- นสองชั่วโมงตลอดกี่ปีเขาเนี่ยตลอดเจปีเลยเจดแปปีเลยที่เราทําแบบนี้ประจำอะ่ะคือเราเจอใครเราก็จะมีเรื่องตลอด เราไปที่ไหนเราก็จะมีเรื่องตลอดนะครับผมไปใช้บริการที่โรงแรมพนักงานโรงแรมบริการไม่ดีผมก็ไม่ว่าเขานะครับผมก็จะเขียนจดหมายไปถึงดี렉เตอร์เขาเลยคนที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทอะนะครับหรือว่าผมไปใช้บริการสายการบินแล้วพนักงานสายการบินเนี่ยซึ่งเขาก็ตั้งใจทำดีแล้วนะ บริการไม่ดีอะไรสักอย่างมีข้อบกพร่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะเขียนไปถึงที่เฮดคอรเตอร์เขาเลยอะนะครับดังนั้นจดหมายผมเนี่ยเพิ่งทิ้งไปเพิ่งเคลียร์ไปเมื่อสักห้าเจ็ดห้ากปีที่แล้วนะครับตอนที่ว่าเราจะต้องจัดการบ้านเรือนเหล่านันนะครับโอ้หมีจดหมายกองเป็นสักเราก็จะ c อ p y ีไ้ด้วยเนาะด้วยความภูมิใจสักห้าสิบหสิบ ฉบับว่ะแล้วเขียนแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่ได้เขียนสั้นๆนะผมจะเขียนประมาณสหน้านะเขียนให้เขาแบบรู้ถึงทราบซึ้งว่าผมเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยได้รับการบริการหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนอะไรพวกนี้นะผมจะเป็นคนเขียนหนังสือเก่งมากแต่ผู้ไม่เก่งนะครับก็จะบรรยายไปสองหน้าแล้วก็ส่งไปดังนั้น ม, มักแค่ได้ผลทุกครั้งเลยแล้วผ ม, มก็จะบอกลงท้ายว่าเนี่ยจัดการยังไงเนี่ยนะครับให้ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย ดังนั้นเนี่ยโอ้โหผมมานั่งคิดทีหลังโอ้โหถ้าเราโดนจดหมายของคนที่เขาเขียนบรรยายสองหน้าเนี่ยถึงการกระทาของเราที่มันอาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องคนนั้ น, นจะรู้สึกยังไงเนาะโอ้โหนะครับแต่ว่าเราก็หลังจากที่เจอทางแม่ชีแล้วก็ทางหลวงลุ ง, ลงท่านก็สอนให้เราถึงเรื่องยอมแพ้เป็น พอดีเนี่ยผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีข้อเดียร์นหนึ่งนะครับก็คือผมตั้งใจอยากที่จะให้มันพ้นทุกข์อยากจะปรับปรุงตัวเองอะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์เขาบอกอะไรมาเราก็จะตั้งใจปรับปรุงตัวเองดังนั้นเรารู้แล้วเออท่านบอกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรนะให้เรามาแก้ไขที่ตัวเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยแก้ที่ตัวเองเรามาักจะไปแก้ที่คนอื่นพอเขาบอกให้เราแก้ที่ตัวเอง นะครับแล้วก็ให้เรายอมแพ้เป็นก็ให้นึกถึงเขามีเหตุการณ์ให้ครับก็คือนึกถึงเรื่องหมาก็คือเวลาเห็นไหมครับเวลาหมาเนี่ยตัวหนึ่งเดินไปแล้วเจอหมาหมู่ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ยอมมันก็ต้องโดนลุมไหมครับโดนลุมแต่ถ้ามันยอมก็มคือมันแค่แค่นอนเห็นไหมมันก็หมาอื่นแค่มาดมดมแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยใช่ไ่มครับ ดังนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นภาพอันหนึ่งที่เราก็เออกลับไปสังเกตมันจริงด้วยดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องยอมยอมแพ้เป็นดีกว่านะครับนั้นก็ฝึกมาตั้งแต่เจปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการขับรถเมื่อก่อนขับรถไปทํางานนะครับใครจะมาจี้เรายิ่งจี้เราเราให้ไหมครับไม่ให้เราก็ยิ่งขวางเขาไว้ขับช้าไว้หรือก็ขับเร็วขึ้นนะครั บ, นนรบก็ไปอย่างนี้ตลอดทางนะใครขอทางเรากจะว่าไง เฮียรีดไปไหนฮะนะครับนิสัยไม่ดีเลยเราก็ไม่ให้เขาเนี่ยมันมีเรื่องตลอดแหะนะครับในทุกๆวันของเรานะทั้งกับ ค, คนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ว่าไปตรงไหนใจมันอรอลุมตลอดก็เลยเริ่มมาฝึกเรื่องยอมแพ้เป็นแล้วก็แก้ไขที่ตัวเองแล้วก็มองอยังไงให้มันเห็นทุกโทษภัยของสิ่งต่างๆที่เราไปเนี่ยเวลาเป็นมีเรื่องเขาเนี่ยมันกอทุกข์กอโทษกอภยัยทั้งแก่เราแก่ขเขามากแค่ไหน นะครับก็ฝึกมาประมาณเจดปีมันก็ก็เริ่มดีเลยเรื่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ไม่มีซึ่งมันมีสูงมากเลยที่ถิ่มาแต่ว่าถูกทําลายไปเรื่อยๆช่วดีนะที่ไกกด้พบกัลยามิตรคําว่าหลวงลุงกับไม่ชีเนี่ยยังไม่ชัดเลยอยู่ที่ไหนเมื่อไรเพื่อว่าบางคนเราอยากจะไปบ้างอย่างนี้ครับ ถ้าหลวงลุงก็หลว ง, งลุงประเสริฐนะครับท่านเป็นหมอจบอยู่ที่หมอชอแล้วก็ไปเป็นหมอที่ต่างประเทศตั้งแต่จบส่วนแม่ชีก็คือแม่ชีนันท่านก็จบเศรษฐศาสตร์ที่หมอชอแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านของหลวงลุงแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วท่านก็ไปเจอหลวงพ่อทูล น, นะครับท่านไปเผยแผ่ธรรมที่เมืองนอกประมาณปี40ครับ แล้ท่านก็ปฏิบัติแล้วท่านก็กลับมาที่เมืองไทยเมื่อประมาณสักเจเมประมาณสักแปีที่แล้วแล้วผมก็ไปเจอท่านแล้วก็พอเราศรัทธานในตัวครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาท่านสอนอะไรเราก็เราก็จะจะเชื่อแล้วเราก็จะทําตามและที่สําคัญก็คือเราจะต้องพยายามคิดว่าเราเร า, เราทําเพื่อตัวเราอะนะครับเราทําเพื่อตัวเราเราจะปรับปรุงตัวเราให้เราดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับส่วนหลวงลุงและก็ไม่ชีนานท่านก็อยู่ที่สวนอยู่ที่ทุ่งข้าวหอมนะครับตรงข้ามแม่โจซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไปอาทิตย์ละประมาณสองสาครั้งนะครับคนหนึ่งที่ว่ามาระบายให้เขาครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เขานั่งฟังอยู่ได้เนี่ยคงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากใช่ไหมใช่ครับพี่พี่ตัวเล็กครับ ตั้งแต่รู้จักกันนี่เขาก็เขาก็ฟังมาตลอดทั้งๆที่เขาก็เขาก็เขาก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่มีช่องให้เขาที่จะที่จะเถียงได้เลยอะ่ะเพราะตอนนั้นเราใหญ่มากอะ่ะเรารู้สึกตัวเราใหญ่มาถ้าเขาเถียงมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะต้องโดนว่าดังนั้นก็ไม่มีช่องที่มันจะจะแสดงความคิดหรือแสดงเป็นตัวตนของเขาได้เลยอะ่ะนะครับดูสิลราขมเขามากขนาดนั้นอนะ่ะขมก็าจนโอ้โห แต่มาช่วงหลังเนี่ยเราก็เราก็ยอมเราก็เปลี่ยนไปนะครับเราโอ้หลังจากฝึกแล้วนะครับที่เราไปเจอไม่นานกับหลวงลุงเนี่ยเราก็เรื่องการโทรเขาเนี่ยก็ลดลงไป เ, ๆๆๆเรื่อรรยเยเรื่อยเอรืนน่อเรื่อระบายหรังจากรั้นย็ไม่มีเรอยเร่อเรอยเ่อยเร่อยเรื่อย่อยเรื่อร่อยเ่ยเรื่รอยเรรเรยเรือร่อยเเรื่อรื่อยเรื่อเรือ่อยเรเรื่อยร่อยเรื่อเอยเรืรื่่อย่อยเ่เอย่อรื่่่เือ่อ มันลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่ตุเล็กเนี่ยจะเล่าได้ดีมากเลยครับว่าผมเป็นยังไงบ้าหลายกาดยังไงบ้างโอ้โหเราะก็โดนมาตลอดครับเราจะเห็นว่าเรื่องวาสนาบารมีเนี่ยมันจะต้องสร้างตัวเองจะต้องปรับปรุงด้วยตัวเองซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยในช่วงที่ก่อนมาบวชเจปีเนี่ยเท่ากับว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะพอเข้ามาบวช ก็เพียงแต่ว่ามาต่อสู้เรื่องเดียวที่เป็นจุดอ่อนนะนะผรนสานี้ผันสายคิดว่าถ้าต่อสู้เรื่องนี้ได้ก็จบวันนี้นเลยเหมือนพระมหาโมคลานะเอามานึกพระมหาโมคลานะเป็นคนวิขีมีพลังอย่างเนี้ยมีฤทธิ์มากพระพุทธเจ้าพระทั้งหลายก็ถามพุทธเจ้า ว, ว่าทำไมมหาโมคลาง่วงขนาดเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติมหาโมคลานี่เป็นดุสี บำเพญ็ญฌานมาหลายหลายชาติมากนะณตัวฌานที่บำเพ็ญมาเนี่ยมันไปนทับจิตมาทุกชาติเลยมาชาตินี้นั่งที่ไหนง่วงที่นั่นบวชได้เจดวันขอไปบำเพ็ญในป่าง่วงไปหกวันวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าตามไปดูก็นั่งง่วงอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไหนลองใหม่สิไปเด็ดดอกหญ้าหรือใบไม้มาแย่งหูเล่นองี้ยนะตื่นพักหนึ่ง อันก็นั่งต่ อ, อสักพักพุทธเจ้าก็เดินดูกรมห้ า, า, หางอยู่ไหมอา้าวหลับไปอีกแล้วอา้าลูกมาใหม่ดูนีต้นไม้ใบหญ้าดูสองดูดูไปใกล้ๆมัอา้าตั้งใจดูดสักพักอา้าวหลับไปอีกแล้วนะอา้าวงั้นจำหมดบทมนอะไรได้บ้างที่ที่จำได้เช่นว่านะโมอิทิปิโสอะไรเนะี่ยท่องแรงๆว่าแรงๆมั้งท่องไปภาวนาไปท่อง ตอนแรกก็ดังๆนะนานเข้านอนก็เงียบลงเงียบล่วงหลับไปแล้วนะทั้งหมดจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปนอนซะอ่านะบทสุดท้ายไปนอนแต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนด้วยตะแคงขวาสีหาสายญาตินะเอามือขวาแทนหมอนเนี่นอนแต่ถ้าหากว่าหลับไปท้านตื่นขึ้นให้ลุกเลยนะอย่าหลับต่อเพราะงั้นะท่านก็ไปนอนนอนพักหนึ่ง ง่วงใช่ไ ง, งไป ง, งมาปับ๊บหน้าล้มสับดินปักขึ้นมาพระงคอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงหลายพวก ห, หลายชาติแ้เบิดเลยทีเนี้ยตื่นหมดเลยทีเนี้ยทั้งบรรลุธรรมในวันนั้นเลยวันที่7แล้วปรากฏเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะเป็นมือขว า, าเป็นมือซ้ายของพุทธิชาพระสารีบุตรเป็นมือขวาใช่ไหมมีฤทธิ์ทางปัญญาอ่านะนั้นเป็นมีฤทธิ์ทางด้านปฏิหาร เพราะฉะนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยผู้ดีเจาต้องใช้ท่านโมคระน้าด้ไปจัดการนะเช่นว่าไปเจอเจ้ารัที่ใหญ่ๆไม่ยอมอย่างนี้นะจะต้านจะสู้อะไรเงี้ยโมคระนาต้องไป mm hmm. ท่านใช้พูดเสียงดังในแบ บ, แบบพระพยอมตท่นั้ น, นเสียงดังฟังชัดแล้วก็มีเหตุมีผลชัดเจนจนเจ้ารัฐที่เขายอมแต่ว่าพอไปเอาเจ้ารัฐที่เข้ามาหาพร้ดีเจ้าได้แต่ลูกน้องส่วนใหญ่ที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ยอม คนนั้นว่าอ๋ออาจารย์เข้าไปได้ไงเขาตามล่ามาเรื่อยๆอยงในที่สุดถึงช่วงสุดท้ายก็ท่านหนีไปตั้งหลายป่าแล้วนะแต่หนีไปไม่พ้นท่านกเลยในที่สุดก็ยอมจำนวนอ๋อพิบัติกำแต่ที่สุดก็ถูกลุมทุบเสอเละเลยวะ เ <laughs> พรออาะอดีตมีอยู่ชาติหนึ่งท่านที่ว่าเราไปวันก่อนใช่ไหมไปหลงภรรยาแล้วก็พ่อแม่ของเอกก็แก่แล้วก็ตาบอดภรรยาก็อยู่ด้วยไม่ได้จะหนีในงนัน้นเธอลอบพ่อแม่เธอไปที่อื่นก็แล้วกันก็ล อ, อไปฆ่าที่ว่าแต่ฆ่าแล้วพ่อแม่ยังห่วงตัวเองมากบอกให้หนีนึกว่าโจรจริงแต่ท่านสร้างสถานการณ์ขึ้นนะท่านวางแผนที่จะฆ่าถ้าจะฆ่าด้วยตัวเองก็น่าเกลียดใช่ไหมก็วางแผนในกลุ่มคนฆ่า แต่ทำไม่สำเร็จเกิดสํานึกเสี ก, ก่อนนะนะั่นแหละตรงนั้นนะถ้าหากว่าท่านเกิดฆ่าด้วยมือจริงๆท่านจะไม่มีโอกาสตรงนี้เลยนะแต่วิบากกรรมที่เสศษเหลือนะ่ะท่านก็ตรงถูกทุบจนเละเหมือนกันนะแล้วคําอประสารก็ดูเพราะฉะนั้นง่วงมาหาง่วงเลยว่าไม่มีใครง่วงเท่าท่านอนะ่ะเพราะท่านมีฤทธิ์มากเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นวิชฉาสมาธิมันมีผลต่อกันทับจิตมาตลอดเพราะฉะนั้นน่งที่ไหนง่วงที่นั่นเพราะฉะนั้นจําได้ไหมไม่ใช่ที่แลบบริสี เพราว่าเป็นอย่างนัง้นครับเพราขอนก็อยู่คนเดียว อ, อยู่คนเดียวเนี่ยอ่าใช่ก็ประวัติคล้ายๆกับท่านโมคคลา น, น ะ, <S <S เ, ะเพราะฉะนั้นก็พรรษานี้เห็นท่านจะต้องไปชี้แบบนั้นไปให้สวดทั้งเจ็วันเจ็ดวันยังไมที่แล้วมายังไม่ทํากันจริงจังร้อ้องหาอุบายทุกอย่างแหล ะ, ะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่าน นิวที่มีโอกาสตรงนี้เรียกว่าเริ่มมีมีบุญวัสนะแล้วนะจะไปที่ไหนก็โคงกลับมาตรงที่ ท, ท, ที่ตรงนี้เพื่อทำภารกิจเรื่องเราที่เราได้สร้างพบร้างชาติมาหลายชาตินะจะขออนุโมทนาสาธุนี่เราเก็บหนังสือแล้วก็ลุกเดินจะกบุมสักรอบสักพักหนึ่งไม่ใช่สักรอบ